ทางภาคปริยัตผิดกันมุทเทสทางภาคปฏิบัติทาพูดไปธรรมดาธรรมดาไม่เคยด่นยกคาถาใบหนึ่งแล้วแปล ม่ค่อยอ่านคำพี <c oughs> ฉันอ่านคำพีในตัวนี้เลยยกออกมาจากตัวนี้เป็นคำพีพระพุทธเจ้าจัดทะูุในคำพีนี้คำพีนี้คือคำพีอริยสัจทุกข์ก็มีอยู่ที่นี่ไม่ว่าทุกข์ทางกายทุกข์ทางใจสมุทยัยคือี่เลสประเภทต่างๆ ซึ่งเป็นค่าสืบ ข, ของใจก็มีอยู่ที่นี่มีเรียกว่าทุกสโมงไทยนิโรธคือความดับทุกข์ซึ่งเป็นผลสืบเมื่องมาจากมรรคก็มีอยู่ที่นี่มรรคคืออุบายวิธีแก้กิเลสประเพื่อต่างๆด้วยความแยกภายของตนเป็นชั้นๆก็มีอยู่ที่นี่ พระพุทธเจ้าทรงศึกษาทาในหลักธรรมชาติคืออยู่ในธาคในขันธ์ในใจนี่ทั้งนั้นแต่พระองค์ไม่มีใครเป็นครูเป็นอาจารย์สั่งสอนทรงบำเพ็ญโดยลำพังพระองค์เองเพราะย่อมมีผิดนิพพานและเสียเวลาไปมานทาั้งงที่ทรง มีความภาพเพียนเด็ดเดี่ยวแก้วกล้าสามารถพดจนถึงเวลาถึงหกปีจึงได้ตรัสสรู้ทำตรัสสรู้ก็คือความรู้แจ้งทั้งทุกขทั้งสมูทยัยทั้งมรรคทั้งนิโรประจับใจนั่นแหละเรียกว่าตรัสะรู้เมื่อการจรัสสรู้ปรากฏขึ้น การรู้แจ้งในในสัจธรรมทั้งหลายก็เป็นมาพร้อมกันเพระเนาะฉะนั้นเว ล, เวลาแนะนำสั่งสอนประชาชนพุทธบริษัทจึงต้องยกเอาคำภีที่ทรงเคยดำเนินเคยศึกษาเคยรู้เคยเห็นมาแล้วซึ่งมีอยู่ภายในกายในใจนี้ออกแสดงแก่สัตว์โลกโดยความถูกต้องแน่นยั่ง บรรดาสาวกทั้งหลายที่รับพระโอาวาทจากพระองค์ก็ทรงปฏิบัติทรงศึกษาในคำพีนี้เหมือนกันคำพีคือทุกสมมทัยนิโรธมรรคอยู่ภายในกายในจิตนี้เนี้จะไปบำเพ็ญอยู่ในสถานที่ต่างกันก็ต่าง แต่จุดแห่งชัยสมรภูมิก็ถือเอากายกับจิตนี้เป็นสนามรบทมก็อยู่ที่นี่กิเลสก็อยู่ที่นี่โดยถืออาการเหล่านี้กายและอาการของจิตเป็นสนามรบที่จะนาแยกแยะอยู่อย่างนั้นจนรู้แจ้งแทงตลอดเช่นเดียวกับพระพุทธเจา้าถ้าผิดกันก็คือความสามารถ ในแง่ธรรมต่างๆมีความกว้างขวางลึกซึ้งผิดกันบรรดาสาวกกับพระพุทธเจ้าแต่ความบริสุทธิ์คือวิสุทธิ์ที่ทำภายในจิตนั้นมีความเสมอกันหมดนับตั้งแต่พระพุทธเจ้าลงมาจนกระทั่งถึงสาวกองค์สุดท้ายไม่มีใครยิ่งหย่อนกว่าใครนี่คือเป็นธรรมชาติที่เสมอภาคด้วยกัน และที่กล่าวมาทั้งนี้กล่าวตามที่ท่านเรียนท่านศึกษาท่านปฏิบัติในคำพีหลักธรรมชาติเมื่อท่านผู้มีความสามารถรู้คำพีนี้โดยตลอดทั่วถึงค่อยล่วงลอยไปคือนิพพานไปนิพพานไปท่านผู้ฉล า, าด หากมีอยู่นั่นแหละจึงต้องให้คิดทบทวนดูถึงอนาคตในการต่อไปท่านผู้มีความเชี่ยวชาญตามหลักความกิงนี้มีน้อยและต่อไปาศาสนธรรมอาจจะเคลื่อนคลาดหรือกระจายหายสูญไปเสียจึงต้องได้จาลึกลงในคัมภีร์ใบลาดคัมภีร์ใบลา น, ลานจึงกลายเป็นคัมภีร์หนึ่งขึ้นมาเป็นคัมภีร์นอก ไม่ใช่คำภีแท้เหมือนพระพุทธเจ้าที่ทรงปฏิบัติมาและสามวกทั้งหลายบำเพ็ญมาถ้าจะเอาคำภีนี้ก็ยังไม่สามารถต้องอาศัยคำภีนั้นก่อนคุณระบุดสุดท้ายภายหลังท่านตกจารึกไว้เรื่องการประพฤติปฏิบัติกรรมจัดวิเลกกรรมจัดอย่างไร วิธีเดินจงกรมนั่งสมาธิโทนนะชื่อของกิเลสชื่อของอาการทั้งหลายสามสิบสองอะไรท่านบอกไว้ในนั่นเสร็จคำภีร์นั้นจึงเป็นคำภีร์ชื่อตัวจริงอยู่กับคำภีร์นี้เพราะคำภีร์นี้เป็นหลักธรรมชาติตัวจริงอยู่ที่นี่ท่าผู้ศึกษาเราเรียนจะเรียนมากน้อยก็าตามถ้ายังไม่น้อมเข้ามาสู่คำภีร์นี้เป็นข้อปฏิบัติหรือไม่มาทํางานใน คำภีกายกับจิตนี่แล้วกราบใดก็ยังหาความสิ้นจุดมิมุดพรนิพพานไม่ได้ดีกราบนั้นเพราะฉะนั้นคำพีนี้จึงเป็นคมภีจําเป็นมากที่เราผู้ต้องการความสุขความเจริเลภายในจิตใจจะพึงพิจรารณาแต่พึงคน้นฟ้าให้รู้ให้เข้าใจกับสิ่งเหล่านี้เพราะฉะนั้นการภาวนา จึงเป็นงานที่เหมาะสมยามยิ่งกับการทำงานในคมภีคือกายะคมภีจิตตะคมภีความพุ้งสร้างของจิตคิดไปในแง่ต่างๆล้วนแล้วตั้งแต่เป็นเรื่องของสมุทยัยคือกิเลสผลักดันออกมาให้คิดความพอใจในสิ่งใด ผลักดันให้ชอบให้รักให้คิดให้กังวลวุ่นวายกับสิ่งนั้นความไม่ชอบใจในสิ่งใดก็ยิ่เดชประเภทไม่ชอบใจก็ผลักดันออกมาให้คิดให้กังวลวุ่นวายวกวนไปมาอยู่อย่างนั้นไม่แล้วไม่เลิก อ, อยู่ตลอดเวลาลกับสิ่งนั้นจนเกิดความทุกข์ขึ้นมาภายในาจิตใจ เพรคิดสิ่งเหล่านี้คิดมากเท่าไรมันก็ยิ่งเป็นความทุกข์มากแต่ไม่คิดไม่สนใจที่จะระงับดับความคิดที่เป็นภัยนั้นแก่ตนเองจึงทําให้ทุกข์มีความรุนแรงขึ้นแล้วความฟุ้งของจิตก็ยิ่งฟุ้งไปเรื่อยๆหากว่าไม่หักห้ามคนเราที่เป็นบ้าเป็นบอเพรทบความคิดมากก็เพราะเหตุนี้เองเมื่อระงับไม่ได้ไม่มีทางระงับไม่รู้วิธีระงับ มันเป็นบ้าไปได้เช่นคนเสียใจมากๆนี่ถึงกับเสียจดิตมีในครั้งพุทธ ก, กาลก็มีเช่นนางประจัตปตาจาราเถรีในกลางคืนนั้นก็คลอดบุตรอยู่ในป่าจะลับโพวกอะไร ก็ลูกอยู่ในป่าแล้วทีนี้สามีก็ไปหาใบไม้ตัดใบไม้มารองขึ้นไปบนจอมปลวกก็พรีงูเห่าตัวหนึ่งอยู่บนจอมปลวกเล็กกัดสามีกลายก็เลยตายอยู่บนจอมปลวกภริยาก็ไม่ทราบจะทำไง ฝนก็ตกทั้งคืนแล้วลูกที่ติดตามมาด้วยก็มีคนหนึ่งลูกคนนี้ก็มาพอดกลางทางพอตื่นเช้ามาก็มาเห็นสามีตายแล้วตั้งแ่คืนนั่ น, นอันหนึง่งร้องห่มร้องไห้ทำงานหมกปัญญาแล้วก็ไลยพาลูกไปจะไปจะมาเยี่ยมพ่อแม่ พอมาถึงแม่น้ำก็เลยให้ลูกชายคนหัวปีนะ่ะเอาลูกของตนลูกที่ออกใหม่ๆคลอ็ใหม่ๆวางแบบบกับนั่นแหละแล้วให้ลูกชายนะี่เช่าน้องทานั้นเถะแม่จะลงอย่างน้ำไปดูเพราะฝนตกทั้งคืนไม่ทราบว่าน้ำนี่จะลึกขึ้นขนาดไหนน้ำในคลองนี้ แม่ก็เลยทดลองลงไปดูดก่อนให้ลูกอยู่ทางฝั่งนี้พอไปถึงกลางแม่น้ำก็มีเหยี่ยวมันบินโฉบลงมามันจะเอาเด็กเหย่่ยวน่าจะคงเป็นเหยื่ยวนกอิงซีอะไรก็ไม่รู้หละมันถึงจะเอาเด็กทั้งคนแล้วก็ลูกชายก็ยืนอยู่ที่นั่นพอมองเห็นเหยี่ยวแม่มองกลับไปทางลูกมองเห็นเหี่ยวกำลังบินโฉบลงมา ก็เลยโบกไม้บบกมือบอกไล่เหี่ยวนะทีนี้ลูกชายเข้าใจว่าแม่โบกมือให้ให้ลงน้ําแล้วฟังว่าลูกเด็กคนนั้นเหยืยอเอาไปกินด้วยนะเฉยลงมาเอาลูกไปกินแล้วแม่ก็บอกไม้โบกมือด้วยลูกคนหัวปีนั่งนึกว่า แม่เรียกก็โดดลงมาล ง, ลงในคลองเลยจมน้ำตายคว้าหาไม่เจอเลยนั่นสามคนนั่นเป็นบ้าไปเลยพอาีคนไปเจอเขาเขาเลยเอามาสำนักของพระพุทธเจ้าก็าทามมามันเป็นบ้าไปเลยไม่ใชสติสตัง มาถึงวันนับคือเจ้าแล้วพอฟืน้นสติขึ้นตัวท่านองค์ก็ประทานโอว่าพอได้สติขึ้นบ้างประทานหนักเข้าหนักเข้าเลยสำเร็จถ้าโสดาขึ้นในขณะนั้นนะครัก็เลยขอบวชเป็นพิชุนีแต่ตอน เปลือยตัวหมดนั้นอย่าพูดเลยนี่ในนังสต๋อท่านบอกไว้ลืมนุ่งผ้าเลยขนาดนั้นเนียอยหมดลืมตัวจนขนาดนั้นนี่เพราะความทุกข์มากความคิดมากมันเป็นไปได้ถึงขนาดนั้นนี่แหละอำนาจของความคิด ที่พาให้จิตเป็นต่างๆมันเสียผลิไปก็ได้อย่างนี้เพราะนั้นอุบายวิธีการฝึกทางด้า น, น จ, จิตใจจึงเป็นโอสฐสสำคัญที่จะระงับดับความคิดความผุ้ช้านอย่างนี้ได้ดีนอกจากนั้นยังรู้จักหักห้ามจิตในแง่ต่างๆซึ่งเห็นว่าเป็นของไม่ดีได้อีกไม่ให้คิดซ้ำๆซักๆระมัดระวังรักษาความคิดของตนนั้น จิตก็พอยับยั้งตัวได้เมื่อมีสิ่งบังคับคือสติหรือกำหนดทำบทใดบทหนึ่งเข้าแทนที่กับอารมณ์ที่เคยคิดอันไม่ดีนั้นเสียมันจะคิดไปมากเพียงไงก็ให้ตั้งสติกำกับบังคับไว้กับคำบริกรรมนั้นเพียงอันเดียวคาเดียวเช่นพุทโธพุทโธเป็นต้องที่ตัวกรงนั้บลงได้ ถึงจะเป็นคําบริกรรมนึกพุโทโธพุธโทโธก็ตามความนึกประเภทนี้เป็นเป็นเรื่องความความนึกของมรรคทางระงับดับทุก์ไม่ใช่ความนึกความคิดของตะมูไทยที่เป็นเครื่องเสริมทุกท่านจึงสอนให้บริกรรมพุโทโธหรือทําบทใดก็ตามที่เหมาะกับจดิจิตใจของจิต ใ, ใจของตนท่านไม่ได้ห้ามนธรรมะ ในกรรมฐานนั้นมีทั้งสี่สิบห้องขนัดสี่สิบห้องสี่สิบอย่างมีก็เพื่อให้เหมาะสมกับสดิจิตใจของผู้บำเพ็ญซึ่งมีนิสัยต่างๆกันได้นำไปประพฤติปฏิบัติให้เหมาะสมกับตนแล้วได้ผลเท่าที่ควรโดยลำดับจิตเป็นสิ่งที่ผ่าผนเป็นสิ่งที่รวดเร็วมาก ไม่มีอะไรจะตามทันได้ยังไงเพราะฉะนั้นเวลาฝึกฝนได้แล้วจึงมีคุณมากมีอนิสงส์มากประเสริฐด้จริงประเสริฐเพราะจิตนั่นแหละไม่ได้ระเสิฐเพราะอะไรสิ่งทั้งหลายในโลกนี้ตามความคาดคิดของสามัญชนเราย่อมคิดเสมอว่าสิ่งนั้นดีสิ่งนี้ดีสิ่งนั้น มีความสำคัญสิ่งนั้นมีคุณค่ามากมียอมคิดเป็นธรรมดาแต่พอเมื่อเราได้รับการอบรมทางด้านจิตใจคือจิตตภาวนาเข้าไปโดยลำดับจนปรากฏผลขึ้นมาภายในจิตใจอย่างน้อยเป็นความสงบสุขให้เห็นประจักษ์ขณะภาวนานั่นแหละความประเสริฐเริ่มปรากฏตัวขึ้นมาแล้วความคิดในงแง่ต่างๆที่ว่าสิ่งนั้นดีสิ่งนี้มีสาระ สำคัญสำคัญนั้นจะค่อยลดตัวลงไปโดยำดำดับเพราะความสําคัญภายในจิตนี้เป็นตัวสําคัญขึ้นแทนที่เป็นความสําคัญขึ้นเหนือสิ่งเหล่านั้นนี่เมื่อเราอบรมฝึกฝนเข้ามากมายเพียงไรอันนี้ยิ่งมีความเปลี่ยนแปลงตัวเองขึ้นสู่ความละเอียดขึ้นสู่ความมีคุณค่าขึ้นเป็นลําดับ แล้วสินพภายนอกเหล่านั้นก็ค่อยจูดไปจางไปหายไปคลายไปโดยลำดับๆนนเพราะสิ่งนี้เหนือกว่านีน่ที่ว่าพระพุทธเจ้าหรือพระสาวกท่านต่อยวางโลกบางสงสารได้ก็เพราะว่าเบื้องต้นยังไม่เข้าใจว่าสิ่งนั้นสิ่งนั้นเป็นอย่างไรและจิตเป็นอย่างไรจรึงเป็นความต้องารมันหมายว่าสิ่งนั้นจะดีสิ่งนี้จะ มีสาระสำคัญสิ่งนั้นจะประเสริฐเลื่ออะไรมันก็คิดไปตามนิสัยของใจที่ยังคว้าของจริงไม่พบแต่พอได้มาพบของจริงซึ่งมีอยู่ภายในจิต ใ, ใจตัวเองแล้วความปล่อยวางเหล่านั้นมันก็ค่อยปล่อยวางมาโดยลำดับนับนหจนผลสุดท้ายแม้แต่ร่างกายซึ่งเป็นที่รักสงวนอย่างยิง่งของตัวเองมันยังปล่อยวางได้ เป็นแต่เพียงว่าอยู่ในความรับผิดชอบเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นบรรดาท่านผู้บริสุทธิ์ทั้งหลายมีพระพุทธเจ้าเป็นต้นจึงต้องรับผิดชอบร่างกายนี้อยู่ตลอดไปจนกระทั่งถึงวันนิพพานความรับผิดชอบในส่วนในร่างกายส่วนต่างๆรู้ความรับผิดชอบในชีวิตมีอยู่จึงเรียกว่า ไม่สมบูรณ์แม้จิตจะบริสุทธิ์แล้วก็ยังมีสิ่งที่ควรได้แก่ขันนี่แหละควรพ้าจิตไม่มีเรื่องอะไรแล้วเรื่องโลค ก, ก็ไม่มีเรื่องโกรธก็ไม่มีเรื่องหลงก็ไม่มีสิ่งที่กระทาจิตใจให้กระเพื่อมเกิดพิเรศขึ้นมาเพิ่มพิเลศแต่โดยระดับอย่างนั้นก็ไม่มีแต่ต้องรับทราบต้องรับผิดชอบเรื่อง ของขันที่แสดงออกมาเช่นเจ็บท้องปวดศีษรษะบหิวกระหายง่วงเหงาเฮานอนเป็นต้นเหล่านี้เป็นเรื่องของขันแสดงตัวจิตที่บริสุทธิ์แล้วก็ต้องรับผิด ช, ชอบรับทราบกับอาการแบบนี้ที่ปรากฏขึ้นมาเพราะจิตเป็นเจ้าตัวการผู้รับทราบสิ่ทั้งหลายท่านจึงต้องรับภาบและรับผิด ช, ชอบในแง่หนึ่ง บรรดาพระพุทธเจ้าออพระพุทธเจ้าและสาวกหรือพระอรหันต์พูดง่ายๆที่ไม่ผิดอะไรจากคนสามัญตัวทั่วไปเลยก็คือสดิจนิสัยกิริยามารยาทของท่านผู้ใดที่เคยเป็นอย่างไรแม้จะสำเร็จถึงขั้นภูมิอรหัตผลและประตามกิริยามารยาทนิสจริตนิสัยอ น, นั้นจะ คงเส้นคงมาอยู่ตามเดิมไม่มีการเปลี่ยนแปลงแต่ด้วยมีข้อหนึ่งอีกข้อหนึ่งเช่นเดินไปตามทางไปเหยียบสถานที่ผิดพลาดไปเช่นจะลื่นจะหกล้มท่านต้องช่วยช่วยตัวเองเช่นเดียวกับสามันเราไม่ควรจะล้มไม่ยอมให้ล้ม นี่เรียกว่าสันชาติายานที่รับผิดชอบตัวเองหรือกล้าไปกำลังจะเหยียบย่างลงอยู่แล้วพอดีเป็นมองเห็นจะเป็นรากไม้หรือเป็นงูจริงๆก็ตามต้องโดดทันทีโดดข้ามอ น, นันต์ไม่ให้เหยียบไม่เหยียบลงไปตรงนั้นทั้งๆ ท, ที่ไม่ได้ตั้งใจอะไรเลยก็ตา่างแต่สันธาติยานความรับผิดชอบตัวเองมันเป็นสิ่งที่สรุป ข, ขึ้นมาเอง แล้วให้โดดข้าม ร, รักษาตัวด้วยวิธีนั้นๆไปโดยหลักธรรมชาติของชนทาสยาอันนี้ระหว่างทหัรกับสามัญชนเหล่านั้นไม่เหมือนไม่ผิดกันเช่นไปะจะไปะเหยียบล่าง้างไม้แต่เข้าใจว่างูต้องโดดทันทีหรือลื่นจะหกล้มต้องช่วยตัวเองเต็มที่ไม่ทองล้มไม่ไม่ยอมหกล้ม นี่เรียกว่าเป็นสันทาศยญาณผิดกันอยู่ที่ตรงจิตเราถ้าเราตกใจมีอาการออถ้าเราไปไปเจอเช่นนั้นเข้าด้วยความบางเอิญเนี่ยเราจะตกใจมากเช่นเข้าใจว่า ง, งูเนี่ยตกใจมากแต่ท่านไม่ตกใจเป็นแต่ความรู้สึกจะเป็นสันทาศนญาณนั้นจะยับออกมาให้รู้ว่าเป็นงู นะคือความสำคัญของขันน่ะมันเข้าใจว่าเป็นงงแล้วโดดข้ามปับ๊บเนะี่ยจิตใจไม่กระเรื่องไม่ไม่ตื่นไม่ตกใจไม่ร้อนใจผิด ก, กันตรงนี้ส่วนความเจ้าหกล้มด้วยการดื้อหรือพลาดอะไรก็ตามท่านจะช่วยตัวเองเต็มความสามารถจนกระทั่งถุดวิสัยถึงจะยอมล้มหรือจะยอมตก ถึงจะตกบันไดหรือตกอะไรก็แล้วแต่ต้องช่วยตัวเองโดยหลักธรรมชาติของสัญชาตญาณอันนี้ระหว่างปุติชนกับพระอรหันต์ไม่ผิดกันสิ่งที่ผิดกันก็คือใจใจท่านไม่มีกับเพื่อมท่านไม่มีหวั่นไหวถ้า ม, มีความตกใจมีตรงนี้ผิดกันจะเป็นธรรมชาติเรียบเรียบอยู่ตลอดเวลานั่นแต่อาการของขันจะแสดงเช่นเดียวกัน เป็นความต่างกันถ้าจิตเป็นทุกบริสุทธิ์ขันทุกส่วนมันก็เป็นตามธรรมชาติของหนาที่นี้คําว่าขันก็ได้แก่กองรูปได้ร่างกายของเ่านี้เวทนาทันยาสังขารยินยาเวทนาขันของท่านม่แต่เวทนาจิตของท่านไม่มี ที่เกิดท่านจะได้สวยทุกเขเวทนาภายในจิตตรนี้ท่านไม่มีส่วนการรับทราบกันถือความกระทบกระเทือนระหว่างขันธ์กับจิตนั้นท่านรับทราบเจ็บปวดแสบร้อนที่ตรงไหนท่านทราบท่านเข้าใจทุกมากทุกน้อยท่านก็ทราบแต่ความหวั่นของจิตหรือจิตจะเกิดความทุกข์ขึ้นมาเพราะร่างกายเป็นทุกข์นั้นไม่มี ว่าท่านเสวยทุกเวทนาในส่วนร่างกายดังนั้นไม่ถูกเช่นอย่างมีบางท่านท่านผู้พระพุทธเจ้าท่านก็เสวยทุกเวทนาเช่นเดียวกับเรายกตัวอย่างเช่นเวลาพระองค์ประชวรเสด็จมาตามทางที่จะไปปริบัติการกรุงพุกิณาราไปถึงที่แห่งหนึ่ง ตงก็หายน้ําแล้วบอกพระอนุท่ า, น, า น, นไปต่างน้ำรับต่างให้พระอนุลไปต่างน้ํามาเพราะว่าเราก็หายน้ําประการหนึ่งแล้วเราเราอ่อนเพลียเราอยากพักผ่อนให้พระอนุลปูราสังคาติให้เราเนี่ยจะเรียกว่าท่านสวยทุกเหมือนกันท่านเขี่ยน่ะแล้วคามจริงกับคําที่ว่าท่านสวยทุกนั้นอนะ่ะมันเป็นคนละโลก เพียท่านก็ท่านก็ทราบว่าเพียเรื่องร่างกายมันไปไม่ไหวท่านก ap ็ทราบมันไปไม่ไหมันเพียในตัวของมันท่านก็ทราบแต่จิตท่านไม่ได้เพียนักจิตท่านไม่ได้วันไหวร่างกายหิวท่านก็ทราบร่างกายหิวตัางกายต้องการอะไรบกต้องอะไรท่านก็ทราบแต่ธรรมชาตินั้นมีความคงเส้นคงวาอยู่เป็นปกติคจิต ไม่มีการกระเพื่อมไปตามสิ่งเหล่านั้นที่แสดงอาการสุขทุกข์อาการใดเลยดวยเหตุนี้คำว่าทุกขเวทนาเราจะไปหยิบยืน่นลุ้นทุ่มครับไปใส่ในใจพระอรหันตานั้ น, น, นจึงเป็นไปไม่ได้เพราะหลับธรรมชาติให้อนนํานดเราธรรมชาติแท้ก็เป็นอย่างที่ว่านี้ทุกเรื่องเจ็บเรื่องปวดท่านทราบ กับพิยาที่แสดงตามเรื่องของธาตุองขันมันก็มีเหมือนกันกับโลกเพราะเหล่านี้เป็นสมมติทั้งนั้นแม้แต่ของไม่มีวิญญาณเช่นอย่างใบไม้ใบไม้สดเราโยนเข้าไปใส่กองไฟลองดูสิหรือหนังแห้งๆเนี้ยขนาดเท่านิ้วมือเนี่ยยาวขนาดนิ้วมือนะโยนเข้าไปใส่ไฟลองดูสิเมื่อถูกไฟร้อน เขาเข้าไปเนี่ยใบไม้สดนั้นจะแสดงอาการอย่างไรเรามองดูเราก็รู้จะเป็นปกติไม่ได้ต้องแสดงอาการงองหงิดเป็นต่างๆไปเหมือนกับว่าใบไม้นั้นมีวิญญาณแสดงอาการกระวนกระวายแล้วหนังแห้งๆก็เหมือนกันเราโยนเข้าไปในไฟพอถูกไฟแล้วมันจะแสดงอาการอย่างไรออกมาเหมือนกับมันมีวิญญาณความจริงมันไม่มีเพราะความร้อนมันบังคับกับธรรมชาตินั้นมันแสดงตามเรื่องของมัน เรื่องทุกขเวทนากับขันของท่านแสดงอาการก็เช่นเดียวกันต้องมีอาการอาการแสดงต่างๆเช่นเดียวกันมาใช้จิตพามาแสดงอย่างนั้นคิด ท, ทั้งท่านจะแสดงได้อย่างไรมันไม่ใช่ฐานะมันเรียกว่าอาฐานะมันเป็นไปไม่ได้แล้วที่จะมาแสดงอย่างโลกโลกทั่วไปสำหรับจิตที่พอตัวแล้วเป็นอย่างนั้นมีมันต่างคิดตรงนี้ถ้าเราอยากทราบแล้วมาปฏิบัติ ให้รูความจริงความปลอมของใจความปลอมของใจก็คือความสํางความต่างๆที่มันทําให้กระเพื่อมขุ่นมัวตื่นเต้นตกอกตกใจนี่แล้วแต่ความจำปลอมของจิตที่ออกมาจากพิเรศซึ่งเป็นตัวจำปลอทั้งนั้นเมื่อได้ชำระสิ่งเหล่านี้ออกหมดจากจิตใจให้เหลือแต่ธรรมชาติคือความรู้ล้วนๆแล้วจะไม่มีอะไรเลยปกติ จะเรียกาอาการลิขิตอาการลิขธรรมได้ทั้งนั้นเป็นธรรมชาติที่พอตัวเสมอคาว่าเสมอนี่เราก็จะคาดว่าเสมออย่างไรก็ยังต้องผิดหากว่าไม่นําคํานี้มาพูดก็ไม่ทราบจะเอาอะไรมาเทียบเคียงถึงจะพอเข้าใจกันว่านิทานศูนย์อยันนี้ก็เหมือนกันมันผิดกันมากกับความศูนย์ของโลกที่สมมุติที่เข้าใจกันมันเป็นโคณาโลกเลย ทีนี้เราเคยจากความสูนของโลกจนฝังใจพรกล่าวถึงเรื่องนิพพานสูนเท่านั้นเราจะเข้าใจว่านิพพานนี่เป็นสิ่งที่หายโล่มจมไปเช่นเดียวกับสิ่งที่สูนไปเหล่านั้นอันเป็นส่วนสมมงมดนนี้มันก็ผิด ก, กันอีกคนละโลกเนี่ยสิ่งที่รับรองความสูนของพระนิพพานว่าสูนอย่างไรนั้นก็คือนิพพานังปรามังสุขขังนิพพานเป็นสุขอย่างยิ่งนั่น เมื่อศูนยญจริงอย่างแบบที่หายผมขี้ดังที่โลกสมมุติหรือเข้าใจกันแล้วนิพพานจะหาความสุขอันยิ่งมาจากไหนถ้ามันศูญไปหมดแล้วเนี่ยจะอะไรมาเป็นความสุขอย่างยิ่งนี่ก็คือว่าศูนย์แบบพระนิพพานนั่นเองไม่ใช่ศูญแบบโลกแบบสมมติทั้งหลายที่เข้าใจกันมันผิด ก, กันอยู่มากเราฟ้ากับบินงขัฟ้ามีก็เราฟ้ากับบินนั่นเอง คุณจะมาวินิจฉยสิ่งเหล่านี้ให้ได้ความธรรมชาติเหล่านี้ให้ได้ความวิวนิจฉัยเท่าไหร่ก็ไม่ได้ความเพราะจิตคุณวินิจฉยไม่ใช่นิพานเป็นกองกิเลสทั้งนั้นเมื่อกิเลสจะม่สิ้นแล้วกราบใดจะวินิจฉัยนิพานตีความหมายพระนิพานไม่ได้ทั้งนั้นพอจิตชินจากกิเลสแล้วตีไม่ตีก็ไม่สงสัยก็คือธรรมชาตินั่นแหละคือนิพานศูนย์ก็คือศูนย์อย่างนั้นน่ะศูนย์อย่างแบบรู้ๆอยู่นั้นน่ะน่ะ ฟังสิศูนย์ทั้งรู้ๆอยู่นั่นน่ะนฟังไอ้รู้ๆอยู่นั้นแหละที่ว่านิพานศูนย์ศูนย์กับรู้ๆแหละเป็นผู้ทรงความสุขไว้อย่างยิ่งแน่ตั้งนี้มันพิกกันขนาดไหนผู้รู้เวลานี้ก็อยู่กับทุกคนเช่นอย่างเทศเวลานี้ก็ได้ยินเข้าใจกันทั้งนั้น ผู้นี้แหละผู้ที่จะเป็นธรรมชาติที่ว่าศูนย์หรือที่ว่าประมังฝุกขังคือผู้นี้เมื่อได้อาศัยการอบรมชักฟอกไปโดยลำดับๆจนกระทั่งถึงความบริสุทธิ์เต็มที่แล้วจะเคยสงสัยเรื่องนิพพานศูนมาเพียงไรนิพพานเป็นความสุขอย่างยิ่งมาเพียงไรมันก็หมดสงสัยทันทีเพราะเป็นสิ่งตายตัวไม่มีแง่ที่จะให้เกิดความสงสัย ไม่เหมือนโลกสมมติทั่วๆไปอันนี้เป็นธรรมชาติตายตัวที่ผู้เข้าใจหรือผู้เข้าถึงจะทราบได้โดยลําพังตนเองไม่ต้องถามใครแม้พระพุทธเจ้าจะประทับกยู่ตรงหน้าก็ตามจะไม่ทูลถามไม่เสียดีล่าลาเลยเพราะเป็นของเหมือนกับเป็นของอันเดียวกันทั้งๆที่เป็นคนละดวงก็เป็นเป็นเหมือนกันอะไรเป็นอย่างไร การภาวนาเบื้องต้นก็ลมลุกคุกค่านเพราะเป็นงานที่เราไม่เคยทําเรายังไม่ชานาญเช่นเขียนหนังสือเขียนแล้วลบลบลบ้ลบเขียนเขาไม่เป็นตรนเป็นตัวเวลาเขียนไปเขียนมาก็ก็จะงีทํางานหลับตาอยู่มันก็เขียนไปได้ง่ายไปแล้วเลยแต่เวลาจะอ่านต้องลืมตาไม่ลืมตามันไม่มันไม่เห็นหส่วนเขียนนั้นหลับตาเขียนไปก็ได้ด้วยความชานาญของตัว มันนึกอยู่ภายในตัวนั่นตัวไหนก็จไหนสะกดการานันมันรู้เอะมีหมายถึงความทนานํานายจิตใจก็ไม่ใช่จแต่ร่ำลุกคลา่งอยู่ตลอดเวลามันมีความทำนี้ทํางานคล่องแคล่วในตัวเองขึ้นเพราะการทําหลายครั้งไร้หนทํางาาาทำต้มๆท่า ๆ, ๆนั่นแหละอย่างเขาฝึกซ่อมมวยนฝึกซ่อ ม, มอแล้วจนแล้วมันก็คล่องแคล่วเอ ม, อมีการฝึกซ่อมการทําอยู่โดยสม่าสมําเสมอดัง ทำท่านว่าทาวิโตพระุรีกับโตทำให้มากเรินให้มากท่านว่ะมากเกิน ถ, ถึงความพอแล้วมันก็เป็นไปเองตามค่องแคล่วว่องไวมันเป็นไปเองเมื่อแล้วจะว่าเราการว่าเราสร้างบา ร, รมีมันก็ถูกที่เราทำความดีทั้งหลายเนี่ย ไม่ไปไหนความดีที่เราสร้างนี้จะสร้างด้วยการให้ทานก็ตามให้ทานของชนิดใดก็ตามรักษาศีลภาวนาอะไรก็ตามมันเป็นการสร้างบา ร, รมีทาที่อยู่งยืงให้เราถึงฝั่งซากโน้นขึ้นนิทานได้ด้วยกันทั้งนั้นเมื่อยังไม่ถึงนจุดหมายปลายทางเราก็ได้อาศัยคุณงามความดีที่เราสร้างนี้เนี่ยเป็นผู้พึ่งเพินพึ่งตายในวาระสุดท้าย หรือเวลามีชีวิตยอยู่ใครก็พอช่วยเราได้หาตกบกพ่องจำเป็นอะไรๆเพื่อนฝูงลูกเมียหรือผัวช่วยได้ทั้งนั้นแต่เวลาจำเป็นจริงๆอันนี้อหมอก็ช่วยได้ในทางเจ็บไข้ได้ปวยแต่ถึงขาจำเป็นจริงๆนั่นแหะไม่มีใครช่วยได้ยิ่งเวลาขาดใจลงไปแล้วใครจะตามช่วยได้ท่านต้งอง สอนให้อัตตาหิจโนนาโถให้เป็นที่พึ่งของตนพยายามสร้างที่พึ่งไว้เสียตั้งแต่บัดนี้ที่เป็นวิสัยทําได้อยู่อย่าได้ประมาทนอนตัยถึงคราวจาเป็นมาจะไม่มีใครช่วยเราเลยนอกจาก ง, งามความดีเท่านั้นจะเป็นผู้ช่วยเราเพราะภายนภายนอกมันหมดวิสัยที่จะช่วยกันได้แล้วก็มีภายใน บุญกุศลที่เราสร้างนี้เนี่ยจะเป็นธรรมชาติที่สนิทติดแนบอยู่กับใจท่าไปสู่สถานที่ดีสติที่งามแล้วเสวยความสุขก็เสวยจากกุศลที่เราสร้างวันนี้แหละจนกมะทั่งถึงที่สุดกุดหมายปลายทางเช่นเดียวกับก็ปล่อยวางกันได้เช่นเดียวกับเล่าขึ้นบันไดขึ้นบนบ้านเวลายังไม่ถึงกุดหมายปลายทางบันไดก็มีความจําเป็นต่อเราเสมอไป แต่พอถึงจุดหมายปลายทางแล้วบันไดกับเราก็หมดความหมายกันตัดใครจะไปกอดบันไดอยู่เล่ามันไม่ใช่วิสัยของพูดถึงที่แล้วจะมามัวกอดบันไดอยู่อันนี้ก็เหมือนกันท่านกล่าวไว้ว่าปุญญาตาปะปนทีน้บุคคลพูดถึงที่จุดจุดหมายปลายทางแล้วเรียกว่าผู้มีบุญและบาปอันละเสียได้แล้วพระนี่คำว่าล้านน่หมานชงวัลละภายในจิตใจไม่ยึดถือทั้งบุญทั้งบาป แต่เรื่องวิบากต้องยอมรับกันเสมอวิบากก็คืออะไรผลแห่งบุญที่เราเคยทําไว้นี่เนี่ยแม้ในปัจจุบันที่เราได้บรรลุธรรมถึงขัน้นสุดแล้ววิบากอันนี้ก็จะปฏิเสธไม่ได้อืที่เราเคยทํามาจะ ต, ต้องตามสนองโดยลํา ด, ดับๆจนกระทั่งถึงวันนิพพานยกตัวอย่างเช่นพระสีวลีในศาสนาคำว่าพระพุทธเจ้านี้ไม่มีใครที่จะเลิศยิ่งกว่าพระสีวลี ในการที่มีอัจเดก ร, ราบมากที่สุดรองพระพุทธเจ้า ล, ลงมาก็าคือพระสุวัติจึงได้ยกเป็นเอกลักษณ์พระพุทธเจ้าประทานเจดีย์พระธให้ในความเลิศทางมีราบศักมีราบศัการาบูถาไม่มีใครขสมยเ น, นี่คือวิบากผลแห่งบนของท่านที่เคยสร้างไว้แล้วตั้งแต่กาลก่อนแม้จะเป็นพระทหารกิตท่านจะปล่อยวางและประตามวิบากเหล่านั้นก็ยังต้องตามมา ด้วยอำนาจแห่งผลบุญเกเคยสร้างไว้แล้วไปไหนมีแต่คนสักการะบูชาเ ท, ท, ทวดาตามตำราท่านบอกว่าอย่างชัดเจนไม่ว่าแต่มนุษย์แม้แต่เทวดาก็ยังมาสักการะบูชาด้วยเครื่องทิพย์ต่างๆนะเป็นอย่างนั้นบางองค์แม้จะเป็นประหรันด้วยกันก็ตามเดินทางไเด้วยกันอันนี้จะไม่ค่อยมีใครสนใจอะไรมากนะเรื่องจะทําบุญให้ท่าน เรื่องเกี่ยวกับเรื่องอัติเรยาภัณฑ์ทำไมท่านก็เป็นพระทหารก็ทราบอยู่ว่าท่านเป็นพระทหารไม่ใช่ไม่ทราบนะแต่เรื่องความแตกต่างกันก็เห็นได้อย่างชัดเจนตามอธัธยาศัยหรือนิสัยของผู้ที่เคยสร้างมาอย่างไรบ้างน่ะี่จําเป็นต้องอาศัยกันไปอย่างนี้ไม่สูญหายไปไหนแม้แต่ ขึ้นขี้เหร่อาสาะความยึดความถือโดยประการทั้งปวงทั้งบุญและบาปแล้วบุญก็ยังต้องตามส้นหน่องอาหากตามส้นนองได้ภายในขันไม่สามารถที่จะคืนชาพอผึงจิตใจให้ยินดียินร้ายเกิดโทษเกิดภัยขึ้นมาภายใน ใ, นใจได้คิดกันตรงนี้ที่เรียกว่าขึ้นถึงที่ 10, จิตจิตหมายปลายทางแล้วหรือขึ้นถึงที่ที่ต้องการแล้วบันไดกับเราก็หมดปัญหากันไปเองเอ บุญแ้ะบาปที่เกี่ยวข้องกับใจก็หมดปัญหากันไปเองเป็นว่าขาดวักขาดต่อนกันส่วนนิบากที่จะตามฆ่าตามขันไปนั้นมีจนกรทั่งวันนิพพานเกิดว่าอะไรก็เป็นอันแบบหมดปัญหากันโดยประการทั้งปวงแม้แต่ขันก็หมดปัญหากันไปนการสร้างความดีรวมก็ไปสู่ที่ใจทั้งหมด จะจำได้หรือไม่ได้ไม่สำคัญลบไม่ศูนย์ก็คือการทำบุญธรรมะมีความติดแนบอยู่ภายในใจิตใจคือไม่ไม่ไม่สำคัญอยู่ที่กับอยู่ที่ความจำจะพาันเข้าใจและพยายามสร้างจิตของเราให้มีสาระขึ้นขึ้นภายในตัวความสงบเย็นใจความผาสุกสม่ำจะเกิด ขึ้นมือขึ้นโดยลำดับเพราออานาจแห่กูสนสิ้งทานของเราเวลาจนกรอบจนมึงแทนที่จะมีอะไรเป็นเครื่องตอบส น, นองแก้ขัดแก้จนมันก็เกิดขึ้นมาเจนได้เพราะอํานาจแห่งกูศนนี่แหละไม่ใช่อํานาจอะไรนะกูศลที่เราสร้างไว้นี่เองไม่ใช่แต่เทวฤทธิ์บรรดงบรรนานมาจากที่ไหนกว่าเทวฤทธิ์ของใจของเราที่เป็นเทพระเจ้าองค์หนึ่งที่สามารถให้ทานรักษาศีนภาวนาได้นี่แหละ เป็นเครื่องบันดาลให้เราได้เห็นประจักษ์กับตัวของเราผู้สร้างซะเองการเสดงธรรมก็เห็นมาถึงควรขอยิบติดตรงนี้